วินิจฉัยโดยลักษณะเป็นต้นคำว่าโดยลักษณะเป็นต้นคือโดยลักษณะเป็นต้นแห่งบทมีอวิชชาเป็นอาทิลักษณะเป็นต้นนี้อย่างไรบ้างอาวิชชามีความไม่รู้เป็นลักษณะมีการทำให้หลงเป็นรสะคือรสมีการปกปิดเสียซึ่งสภาวะเป็นปัจจุ ป, ปัฏฐาน มีอาสวะเป็นประธานเพราะมีพระบาลีว่าอาสวะสมุทยาอาวิชชาสมุทโยความเกิดขึ้นแห่งอวิชชามีเพราะความเกิดขึ้นแห่งอาสวะดังกล่าวแล้วสังขารมีการปรุงแต่งเป็นลักษณะมีความพยายามเพื่อก่อปฏิสนธิเป็นรส มีเจตนาเป็นปัจจุปฐานมีอวิชชาเป็นปัทฐานวิญญาณมีความรู้พิเศษเป็นลักษณะมีความเป็นหัวหน้าแห่งนามรูปเป็นรถมีปฏิสนธิเป็นปัจจุปฐานมีสังขารเป็นปัทถฐาน หรือว่ามีวัตถุและอารมณ์เป็นปัจจุบานนามมีความน้อมไปสู่อารมณ์เป็นลักษณะมีสัมะโยคความประกอบกันและกันไว้เป็นรถมีความไม่แยกกันเป็นปัจจุปัจฐานมีวิญญาณเป็นปัจจุบานรูป มีความรู้จักสลายเป็นลักษณะมีความกระจายตัวเป็นรสมีความเป็นอัพยากฤตเป็นปัจจุปัฏฐานมีวิญญาณเป็นปัะทฐานสลายตนะมีความติดต่อเป็นลักษณะมีการเห็นเป็นต้นเป็นรสมีความเป็นวัตถุและเป็นทวารเป็นปัจจุปัฏฐาน มีนามรูปเป็นปัจจุฐานภาษามีความถูกต้องเป็นลักษณะมีการกระทบเข้าเป็นรถมีความประจบกันแห่งทวารอารมณ์และวิญญาณเป็นปัจจุบปัจจฐานมีสลายตนาเป็นปัจฐานเวทนามีการประสบอารมณ์เป็นลักษณะ มีการสวยอารมณ์เป็นรถมีสุขและทุกข์เป็นปัจจุปัฏฐานมีภัทะเป็นปัจจัฏฐานตัณหามีความเป็นเหตุคือเป็นทุกขสมุทัยเป็นลักษณะมีความมุ่งยินดีในอารมณ์นั้นๆเป็นกิจมีความไม่อิ่มในอารมณ์เป็นปัจจุปัฏฐาน มีเวทนาเป็นประฐานข้อที่ว่ามีความมุ่งยินดีในอารมณ์นั้นๆเป็นกิจเพราะมีพระบาลีว่าตัตระตัตราพินณทินีตันหามีปกติมุ่งยินดีในอารมณ์นั้นๆเป็นหลักอุปาทานมีความถือไว้เป็นลักษณะมีความไม่ปล่อยเป็นกิจ มีความเห็นด้วยอำนาจความเหนียวแน่นแห่งตัณหาเป็นปัจจุปัฏฐานมีตัณหาเป็นปัจทฐานพบมีกรรมและผลของกรรมเป็นลักษณะมีความได้ประสบความมีเป็นกิจมีกุศลอกุศลและอัพยากิตเป็นปัจจุปัฏฐาน มีอุปาทานเป็นปทัตฐานลนักษณะเป็นต้นแห่งชาติเป็นอาธิพึงทราบโดยนัยยะที่กล่าวแล้วในสัจจะนิเทศนั่นเทินวินิจฉัยโดยลักษณะเป็นต้นในพระบาลีปฏิจจสมุปบาทนี้พึงทราบดังกล่าวมาชนี้ โดยอย่างต่างๆมีอย่างเดียวเป็นต้นในคำว่าโดยอย่างต่างๆมีอย่างเดียวเป็นต้นนี้มีวินิจฉัยว่าอาวิชามีอย่างเดียวโดยภาวะคือความไม่รู้หรือความไม่เห็นหรือความหลงเป็นต้นมีสองอย่างโดยความไม่ปฏิบัติและความปฏิบัติผิดอันหนึ่ง มีสองโดยเป็นสัตสังขารและอสังขารมีสามอย่างโดยสัมปโยคกับเวทนาสามมีสี่อย่างโดยเป็นความเมตตสรู้สัจจะสี่มีห้าอย่างโดยปกปิดเสียซึ่งโทษในคติห้าส่วนความที่ตัณหามีหกอย่าง ในองค์ปฏิจจสมุปบาทที่เป็นอรู ป, ปรธรรมทั้งสิ้นพึงทราบโดยเป็นไปในทวารหกและอารมณ์หกสังขารมีอย่างเดียวโดยเป็นสาสโซวะธรรมเป็นวิปากธรรมะธรรมคือธรรมะมีวิบากเป็นธรรมดาเป็นต้นมีสองอย่างโดยเป็นกุศลและอกุศล อนหนึ่งมีสองโดยเป็นปริตะและมหคตะเป็นหีนาและมาชิมะเป็นมิชตะและสัมมา ต, ตะเป็นนิยตะและอนิยตะมีสามอย่างโดยความเป็นอภิสังขารสามมีปุญญาภิสังขารเป็นต้นมีสี่อย่างโดยให้เป็นไปในกำเนิดสี่มีห้าอย่าง โดยยังสัตว์ให้ไปสู่สุขติห้าวิญญาณมีอย่างเดียวโดยเป็นโลกิยะวิบากเป็นต้นมีสองอย่างโดยเป็นสเหตุกะและอเหตุกะเป็นต้นมีสามอย่างโดยนับเนื่องในภพสามโดยสัมะโยคกับเวทนาสาม และโดยเป็นอเหตุกะทุเหตุกะและติเหตุตุกะมีสี่อย่างและห้าอย่างโดยกําเนิดสี่และคติห้านามรูปมีอย่างเดียวโดยเป็นวิญญาณสันนิสัานคือที่อาศัยแห่งวิญญาณและโดยเป็นกรรมปัจจัยปัจจัยของกรรมมีสองอย่าง โดยเป็นสารัมมะนะมีอารมณ์เป็นนามและอนารัมมะนะไม่มีอารมณ์เป็นรูปมีสามอย่างโดยการมีอดีตเป็นต้นมีสี่และห้าอย่างโดยกำเนิดลัคคติสลายตนณามีอย่างเดียวโดยเป็นที่เกิดและโดยเป็นที่ประชุม แห่งวิญญาณและธรรมะที่สัมปยุตกับวิญญาณนั้นมีสองอย่างโดยเป็นภูตปัสสัดคือส่วนที่ผองใสแห่งภูต ร, รูปและเป็นเครื่องรู้พิเศษมีสามอย่างโดยเป็นสัมปตโคจรคือรับได้แต่อารมณ์ที่มาถึงตัวอสัมปตโคจรรับอารมณ์ที่ไม่มาถึงตัวได้ และโนพยะโคจรรับอารมณ์ไม่ใช่ทั้งหลายอย่างนั้นมีสี่อย่างและห้าอย่างโดยเนื่องด้วยกาเนิดและคติแม้ความมีอย่างต่างๆมีอย่างเดียวเป็นต้นแห่งองค์ที่เหลือมีผัสสะเป็นอาทิก็พึงทราบโดยในยะที่กล่าวนิเทินวินิจฉัยโดยอย่างต่างๆมีอย่างเดียวเป็นต้น ในพระบาลีปฏิจจสมุปบาทนี้พึงทราบดังกล่าวมาชนี้ประการหนึ่งโดยกำหนดองค์ข้อว่าและโดยกำหนดองค์ทั้งหลายมีวินิจฉัยว่าก็แลในปฏิจจสมุปบาทธรรมะทั้งหลายนี้ธรรมะมีโซกะเป็นต้น พระผู้มีพระภาคตรัสเพื่อแสดงความไม่ขาดตอนแห่งพระวะจักคือวงล้อแห่งภพเพราะธรรมะมีโสกาเป็นต้นนั้นย่อมมีแก่คนเขลาผู้ถูกชราและมรณะกระทบเอาดังที่ตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเป็นผู้ถูกทุกขเวทนาทางกายต้องเอาแล้วย่อมเศร้าโศกลำเค็นคร่ำครวญทุบ อ, อกร่ำไห ซึ่งความฟั่นเฟือนไปเป็นต้นและด้วยพระพุทธพจน์ว่าความหมุนไปแห่งธรรมทั้งหลายมีโสกะเป็นต้นนั้นยังมีอยู่ตราบใดความหมุนไปแห่งอวิชชาก็ยังมีอยู่ตราบนั้นดังนี้ภวจักก็เป็นอันเชื่อมเข้ากับบทว่าอาวิชชาปัจจะยาสังขาราอีกเล่าเพราะเหตุนั้น ธรรมะสิบสองเท่านั้นโดยนำสังเขปธรรมมีโสกะเป็นต้นนั่นแลเข้าเป็นอันเดียวกันกับชรามระเสียพึงทราบว่าเป็นองค์แห่งปฏิจจสมุปบาทเวินนิชัยโดยกำหนดองค์ทั้งหลายในพระบาลีปฏิจจสมุปบาทนี้บัณฑิตพึงทราบดังกล่าวมาชะนี้นี้เป็นเพียงสังเขปคาถาในปฏิจจสมุปบาทธรรมนี้ ส่วนความต่อไปชนนี้เป็นวิถารนัยคืออย่างกว้างขวางพิสดารแก้บทอวิชชาโดยปริยายทางพระสูตรความไม่รู้ในฐานะสี่มีทุกเป็นต้นชื่อว่าอวิชชาโดยปริยายทางพระอภิธรรมความไม่รู้ในฐานะแปด กับปุพันตะเป็นต้นดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าในธรรมะเหล่านั้นอวิชชาเป็นชนัความไม่รู้ในทุกขจนถึงความไม่รู้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาความไม่รู้ในปุพันตะคือเงื่อนต้นความไม่รู้ในอรันตะคือเงื่อนปลายความไม่รู้ในปุพันตารันตะทั้งเงื่อนต้นทั้งเงื่อนปลาย ความไม่รู้ในธรรมะทั้งหลายทั้งที่เป็นอิทัปปัจจตาคือกลุ่มเหตุและปฏิจจสมุปปนธรรมคือกลุ่มผลนี้เรียกว่าอาวิชชาดังนี้ในฐานะเหล่านั้นยกเว้นสัจจะสองคือนิโรธและมรรคที่เป็นโลกุตระเสียอวิชชาย่อมเกิดขึ้น ในฐานะที่เหลือแม้โดยทําให้เป็นอารมณ์ได้ก็จริงแต่แม้เป็นอย่างนั้นในพระบาลีนี้ท่านก็ประสงค์เอาโดยว่าเป็นเครื่องปิดบังเท่านั้นเองจริงอยู่อวิชชานั้นที่เกิดขึ้นแล้วย่อมปิดบังทุกขสัตต์ตั้งอยู่ไม่ให้รู้แจ้งซึ่งลักษณะอันเป็นรถคือสภาวะประจาตนตามเป็นจริงได้ อย่างเดียวกันยอมปิดบังสมุทธยาสัตต์ดิโรทสัตต์มักคสัตต์คันธปัญจกะส่วนอดีตที่รับว่าเงื่อนต้นคันธปัญจกะส่วนอนาคตที่นับว่าเงื่อนปลายคันธปัญจกะทั้งสองส่วนนั้นที่นับว่าทั้งเงื่อนต้นและเงื่อนปลายอิทัปปัจยตาละปฏิจจะสมุปันนธรรมทั้งหลายที่นับว่าอิทัปปัจยตาปฏิจจะสมุปันนธรรมด้วย ตั้งอยู่มีให้รู้แจ้งซึ่งลักษณะอันเป็นกิจคือสภาวะประจําตนตามเป็นจริงในทุกเป็นต้นนั้นว่านี่อวิชชานี่สังขารดังนี้เป็นต้นเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าอาวิชชาคือความไม่รู้ในทุก์จนถึงความไม่รู้ในอิทัปปัจจะตาและปฏิจจสมุ ป, ปันธธรรมทั้งหลาย แก่บทสังขารบทว่าสังขารทั้งหลายได้แก่สังขารหกที่กล่าวโดยสังเขปไว้ในตอนก่อนดังนี้ว่าสังขารสามมีบุญเป็นต้นและสังขารสามมีกายะสังขารเป็นต้นส่วนว่าโดยพิสดารในสังขารเหล่านี้สังขารทั้งสามได้แก่เจตนายี่สิบเก้า คือปุญญาพิสังขารได้แก่เจตนาสิบสามคือเจตนาเป็นกามาวจรกุศลแปดอันเป็นไปด้วยอำนาจกุศลมีทานศีลเป็นต้นและเจตนาเป็นรูปาวจรกุศลห้าอันเป็นไปด้วยอำนาจภาวนาอย่างเดียวอปุญญาพิสังขารได้แก่เจตนาที่เป็นอกุศลสิบสอง อันเป็นไปด้วยอํานาจอากุศลมีปานาติบาตเป็นต้นอเนนชาพิสังขารได้แก่เจตนาที่เป็นอรู ป, ปาวจรกุศลสี่อันเป็นไปด้วยอํานาจภาวนาเหมือนกันส่วนสังขารอีกสามคือกายสังเจตนาความจงใจแสดงออกทางกายเป็นกายสังขารวจีสังเจตนา ความจงใจแสดงออกทางวาจาเป็นวจีสังขารบโนสันเจตนาเป็นจิตตสังขารติกะนี้ท่านกล่าวเพื่อแสดงความเป็นไปแห่งอภิสังขารสามมีปุญญาพิสังขารเป็นต้นทางทวานในขณะพยายามทำกรรมจริงอยู่ เจตนายีสิบท่วนคือกามาวจรกุศ ล, ลเจตนาแปดอกุศ ล, ลเจตนาสิบสองอันยังกายวิญญัติให้ตั้งขึ้นเป็นไปทางกายทวารชื่อว่ากายสังขารเจตนาเหล่านั้นแหละที่ยังวจีวิญญัติให้ตั้งขึ้นเป็นไปทางวจีทวารชื่อว่าวจีสังขารแต่อภิญญาเจตนา เจตนาในอภิญยาไม่เป็นปัจจัยแก่วิญญาณองค์ต่อไปเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ถือเอาในคำว่ากายสังขารวาจีสังขาร น, นี้อภิญยาเจตนาไม่เป็นปัจจัยแห่งวิญญาณชั้นใดแม้อุทจจเจตนาก็ไม่เป็นชั้นนั้นเพราะเหตุนั้นถึงอุทจจเจตนานั้นก็ต้องคัดออกในความเป็นปัจจัยแห่งวิญญาณ แต่เจตนาทั้งปวงนั่นก็คงเป็นธรรมะมีอวิชชาเป็นปัจจัยเหมือนกันส่วนเจตนา29้าแม้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในมโนทวารโดยไม่ยังวิญหญาตทั้งสองให้ตั้งขึ้นเป็นจิตตสังขารแลด้วยประการดังนี้ติกะคือหมวดสามกลุ่มนี้ก็เข้าไปสู่ติกะก่อนคือผนวกอยู่กับติกะก่อนนั่นเอง เพราะฉะนั้นว่าโดยใจความแล้วความที่อวิชชาเป็นปัจจัยแห่งสังขารก็พึงทราบโดยที่เป็นปัจจัยแห่งอภิสังขารสามมีปุญญาพิสังขารเป็นต้นนั่นแหลในข้อนั้นหากมีปัญหาว่าก็ข้อนี้จะพึงทราบได้อย่างไรว่าสังขารทั้งหลายนี้เป็นธรรมะมีอวิชชาเป็นปัจจัย ทำแก้พึงมีว่าทราบได้โดยที่เมื่ออวิชามีมันจึงมีแท้จริงความไม่รู้ในฐานะทั้งหลายมีทุกเป็นต้นเรียกว่าอาวิชชาซึ่งบุคคลใดยังละไม่ได้บุคคลนั้นเพราะความไม่รู้ในทุกข์และในฐานะนอกนี้มีเงื่อนต้นเป็นอาทิจึงถือเอาสังสารทุกโดยสําคัญว่าเป็นสุข แล้วก่อสังขารทั้งสามอย่างซึ่งเป็นเหตุแห่งสังสารทุกข์นั่นเองเพราะไม่รู้ในสมุทยัยจึงสำคัญเห็นสังขารทั้งหลายอันมีตัณหาเป็นเครื่องประดับซึ่งแม้เป็นเหตุแห่งทุกขโดยว่าเป็นเหตุแห่งสุขไปก็ก่อสังขารทั้งสามอย่างขึ้นอันหนึ่งเพราะไม่รู้ในนิโรธและในมรรค จึงเป็นผู้มีความสำคัญในกติวิเศษมีพรหมโลกเป็นต้นซึ่งแม้มิใช่เป็นที่ดับทุก์ว่าเป็นที่ดับทุกไปเป็นผู้มีความสำคัญในพาหิรามักคือข้อปฏิบัติของเดียรถีหรือนักบวชนอกศาสนามีบูชายันและบาเพ็ญอมราตบะเป็นต้นซึ่งแม้มิใช่ทางแห่งความดับทุก์ว่าเป็นทางดับทุกไป เมื่อปรารถนาความดับทุกข์ก็ก่อสังขารทั้งสามอย่างขึ้นทางมุขพายุระมักมีบูชายันและบำเพำ็ญอมราตบะเป็นต้นอีกประการหนึ่งบุคคลนั้นเพราะความที่ละอวิชชาในสัจจะสี่ยังไม่ได้นั้นก็ไม่รู้ทุกข์กล่าวคือผลแห่งบุญซึ่งแม้แทรกซ้อนด้วยอาทีนบโทษเป็นเอเนกมีชาติชราโรคและมรณะเป็นต้น อย่างวิเศษโดยว่าเป็นทุกข์ได้จึงก่อปุญญาพิสังขารอันต่างโดยเป็นกายสังขารบ้างวจีสังขารบ้างจิตตะสังขารบ้างเพื่อได้ผลแห่งบุญนั้นดังบุคคลผู้ปรารบเทพอสอนริโจนหน้าผาตายมิเช่นนั้นก็ไม่เห็นความที่ผลแห่งบุญนั้นซึ่งแม้สมมุติกันว่าเป็นสุข เป็นวิปรินามทุกันจะก่อให้เกิดความร้อนใจใหญ่ในที่สุดเมื่อหมดบุญและไม่เห็นความที่ผลแห่งบุญนั้นแม้มีคุณน่ายินดีก็มีคุณน่ายินดีเป็นส่วนน้อยจึงก่อปุญญาพิสังขารมีประการดังกล่าวแล้วนั่นอันเป็นปัจจัยแห่งวิปรินามทุกนั่นเองดังมแมลงเมาบินเข้าตอมเปเลวไฟและดังสัตว์ทิตกรามหยดน้าพึ่ง ริเข้าเลียคมสัตราที่น้ำพึ่งติดฉะนั้นอันหนึ่งไม่เห็นโทษในโลกยาวิสัยมีการเสพกามเป็นต้นพร้อมทั้งผลของมันเพราะสำคัญว่าเป็นสุขและเพราะถูกกิเลสครอบงมด้วยจึงก่อปุญญาพิสังขารอันเป็นไปในทวารทั้งสามขึ้นก็ได้ดังเด็กอ่อนริเล่นคูด และดังคนอยากตายริกินยาพิษฉะนั้นอันหนึ่งเล่าไม่รู้ความที่สังขารแม้ในฝ่ายอารู ป, ปรวิบากก็เป็นวิปรินามทุกขจึงก่ออเนียนชาพิสังขารซึ่งเป็นจิตตัดสังขารขึ้นด้วยวิปรลาดไปว่าเป็นของเที่ยงเป็นต้นดังคนหลงทิด ริอ่านเดินทางมุ่งหน้าไปสู่เมืองปีศาจเช่นนั้นเพราะเหตุที่สังขารมีเพราะอาวิชามีเท่านั้นหามีโดยอวิชาไม่มีไม่ดังกล่าวมาชะนี้บัณฑิตจึงรู้ข้อที่ว่าสังขารทั้งหลายนี้เป็นธรรมะมีอวิชชาเป็นปัจจัยนั่นได้แลจริงอยู่ข้อนี้แม้พระผู้มีพระภาคก็ได้ตรัสไว้ว่า ภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ไม่ฉลาดตกอยู่ในอวิชาย่อมปรุงแต่งปุญญาพิสังขารบ้างย่อมปรุงแต่งอปุญญาพิสังขารบ้างย่อมปรุงแต่งอเนญชาพิสังขารบ้างภิกษุทั้งหลายต่อเมื่อใดอวิชชาภิกษุละได้แล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วเมื่อนั้นภิกษุนั้นเพราะความสำรอกออกไปแห่งอวิชชา เพราะความเกิดขึ้นแห่งวิชายอมไม่ปรุงแต่งปุญญาพิสังขารเลยดังนี้เป็นต้นในบทว่าอาวิชชานี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอพักข้อว่าอาวิชชาเป็นปัจจัยแห่งสังขารทั้งหลายนี้ไว้ก่อนด้วยข้อนี้ควรจะกล่าวต่อไปคือปัญหาว่าอาวิชชาเป็นปัจจัยแห่งสังขารเหล่าไหนายอย่างไร ในความที่อวิชชาเป็นปัจจัยอย่างไรบ้างนั้นท่านกล่าวไว้ดังต่อไปนี้